เหมือนเราโฆตนาขายยาเรานั่นขายยาปวดห า, ายทันใจแล้วนะเราก็พูดตามคุณภาพล้วไปใครปวดฟันใครปวดที่ตาก็มาซื้อยาเราก็โูษณาของเราจะชื่อจ ะ, จะมากวามาไม่มาเราก็จะไปว่าวจะไปขึ้นไปว่า ก, กับบ้านเขาทาไมไปไม่ชื่ออุบายตรงนั้นเนี่ตัวธรรมะจริงๆใครจะมองเห็นไหมล่ ะ, อะมองเห็นไหยในมองเห็นหลรอ บอกว่ามันมันไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยแล้วต้องเปรียบเทียบมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมีอุบายทั้งนั้นธรรมาะให้ก็ไปรู้ตรงนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะจริงๆมันจะเห็นอะไรมันจะมีอะไรไหมให้ใ ห, ใ ห, ให้ให้คิดดูสิอือไม่มีคนจะให้ธรรมะจริงๆไม่มีอ่ะมีจะให้อุบายให้รู้จากธรรมะอืมเป็นอุบายทั้งนั้นนอ่ะอให้รู้จากธรรมะ เพระธรรมะอันนี้เมื่อพูดตามส่วนแล้วนะอ่าจะให้คนอื่นดูตรงเนี้ยนอกจากอุบายเท่านั้นฟังคำพูดของท่านที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอัคคตาโลตหาคาตาถ้าจะสาคตเป็นเจ้ผู้บอกธรรมะอยู่ตรงไหนละ่ะเออธรรมะอยู่ตรงไหนล่ะต้องไปพิจารณาอีกทีหนึงนะ แต่ก็ท่านในท่านเฉินเนี่ยคนเชื่อ บ, บุคคลเชื่อคนอื่นชด้วยท่านในท่านเสรินท่านเสรินนะบุคคลที่รู้รวยตนเองคือมันชัดถ้ารู้รวยตวนเองปัญหามันหมดถ้ารู้กับคนอื่นนปัญหามันเหลืออยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณทั้งหลายมาวัดวันเนี้ย คุณในมาแล้วปัญหาที่จะต้องถามมาวัดวันกอนอกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หมดวัดประโคนเป็นยังไงอันนี้ก็หมดเพราะคุณมาเห็ น, ห น, นด้วยตนเองแล้วถ้าคุณมาเห็ น, ห น, นด้วยตนเองถามจากคนอื่นมา่ะชีวิตของคุณมีอย่างน้อยเลยวัดประโคนเป็นไงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเขอธิบายครไปนคนอื่นมาถามวัดประโคนเป็นยังไงจนตายไม่รู้จากวัดประโคไม่ชัดเพราะอะไรเพราะไปฟังคนอื่นพูด เน่รู้ไหมรู้แต่มันไม่ชัดรู้รู้แต่ว่ามันไม่ถึงมันถึงมีปัญหาอยู่วันนี้พวกคุณทั้งหลายคงจะหมดปัญหาแล้ววัดปะโกงอยู่ตรงไห น, นวัดวันปอนอกอยู่เป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไหมปัญหาอย่เหล่านี้พวกคุณทั้งหลายจบเพราะอะไรเพราะอะไรมาเห็นด้วยเองในตัวเอง เจะเอาที่ไหนาหมารูกอยู่มันก็สุดแค่นี้แหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะให้สะพาวภาวนาให้มันเห็นธาตุตัวเองถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเนี่ยคนยังงู้อยู่ยังงูเชื่อแล้วแต่อามาพิจารณาอีกให้มันเชื่อเกิดเป็นขั้งที่สองตามเป็นจริงอย่างนั้น อันนี้เราเหมือนกันเลยเนะี่ยเราเหมือนกันเช่นอืมผมไปคิดว่าอ้ในเวลานี้นคนทําบุญเห็นว่าบุญบุญ ม, มันดีดีการทาบุญทําบุญกันก็ดีอยู่แต่ว่าการรับบาปนั้น้ม่สมิงไอ้การรับบาสนั้นมันยิ่งกว่าการกทําบุญแล้วการรับบาปโจรมันได้ไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ามันให้ทานได้บุญมันไปปูนได้มามแจกของได้สบาย แต่นะ ใ, ให้โจรไม่ให้กระทําบาปไม่ได้มันมีน้ําหนักกฎกันอย่างนี้การทําบุญก็จะทําเป็นใช่ไหมคือมันเป็นกัวจริงจริงยาพัฒนานแล้วการทำบุญการละบาปนี่เอาสิลองสินะโจรทําไม่ได้ถ้ามันมีเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีนะโจรมันให้ทานก็ได้ให้ทําอะไรก็ได้เอาของคนอื่นได้แต่ว่าให้มันละความชัว่วจริงจริงน่นโจรไม่ยอม นี่เท่านี้ก็รู้จักแล้วีการกระทํานี่กระบวนกันการประพฤติปฏิบัตินี่กระือนกันนารการฟังมันไม่ค่อยยากแร้วการกระทำจึงเป็ยากไม่ทํามันต้องเห็นโวยการกระทําไม่ต้องเห็นโดยการฟังแต่ฟังมาแล้วก็เห็นแต่มากระทําขึ้นหเห็นชัดกว่าไปกว่นานั้นอีกมันเป็นขั้นที่สองที่สามแล้ว มันจะไม่มีปัญหารเรานี่ก็คงมีปัญหาอย่างนี้ตลอดไปเพราะอ่านตานําราอยู่เว้ย응อาจารย์นั่นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้นสาวอกองนั่นว่าอย่างนั้นสาวอกองนี่ว่าอย่างงงมตัวเราในจริไงในไม่ดูจับนะอืพระโมกขณาอุสันโกดีทำเหมือนท่านนั่นแหละพระซาดีบูติสันโกดีเจมันดีภาษซาดีบูดีพระโมัขาลา เราเคยลงมือทํากันไหมล่ะยังเลยจะอ่านดูก็กนเย็บกระจายก่อนตอนนั้นคือมไม่ได้ทํากันมันจะฟังกันเด๋ยจะอ่านกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะที่เราอ่านที่เรารู้ตามความจริงเน่ยมันจะรู้จักไหยคนอ่านตําราไม่รู้จกโกรธเนาะคนเห็นโกรธจงละโกรธคนอ่านตํารารู้ว่าโกรธไม่รู้เพราะมันโกรธอยู่ในตัวหนังสืออยู่เนี่ยไม่ใช่ว่ามันโกรธวิญญาเรา งั้นก็ทิ้งไม่ได้ผมจะไปสันรู้จะสันรดาไม่ได้ฉันรู้จะสันรดาไม่ได้เมื่อฉันจะทําฉันก็ทําได้เวลานี้ฉันก็ยังไม่ทาน่ะมันก็เอากันอยู่แบบนี้จะทําไงมันในเวลานี้น่ะผมเห็นว่าย้อนหลังกลับมาอยู่เป็นปกติเฉยๆครักเป็นตั้งที่ตั้งอยู่ดีกว่า อืมทําไได้ครับใครคนมีศรัทธาสมาธิถ้ากอพระขอฟังมาที่จะทําัีมาทิมาทำคนเงียบเงียบสิไม่ต้องพูดมากแต่ต้องทาอะไรมันมากเพราะมาปฏิบัติมันมากเท่านั้นแหละเห็นมันเคยพ้อยขึ้นมาดีๆีเนืมถ้าเป็นแผลก่อนมันดีมันจะสวนลึกๆ่ะอย่าให้มันอย่าให้มันมาดีที่ปากแผลเลยอืมดีที่ปากแผลเนี่ยแต่ทางไงไม่ดีเอาเสษมากอีกผพาตัดกันหม่อยนะไม่มีเหลือละ เรามาตัดรากมันดีกว่าอืมไม่ใช่ว่าไอ้ผุดธรรมะพูดอย่างนี้คนดูเดี๋ยวนี่ยมันดีได้ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพระโพอืมคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์ผู้มาครุมเหตุไหวเลยมันคุมมันเหยื่อไว้เนี่ยตัวอย่างนี้มือนกั น, น, น, น, นเนี่ยไอ้ตัวสามารถะสิ่งอย่างพระนิพพานที่เอาสิพูดถึงพระนิพพานอย่างเงี้สับพรนิพพานนี่ยมันยุ่งกันเลย บางทีให้โทษพระพุทธเจ้ า, า, าพระนิพพานนี่ครับพระพุทธเจ้ชาชัดแจงชัดทําไมท่านจึงพูดคุมเครือไปอย่างนั้นทําไมไม่พูดให้ผมแจ้งชัดด้วยละ่ะนี่ปัญหามันตรงนี้ดูดีดูดีดูดีดดสมพระนิพพานพระองค์จะพูดไปคุมเครื อ, อคือจะบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองแหละอบอกคนชัดไม่ได้นั่นเอง คนยังพูดอย่างนั้นหาว่าพราะพุทธเจ้าเราโง่ไปแล้วอืมถ้าหากว่ารู้แก่มแก่นก็บอกให้ชัดเจนที่สุดคุณบุตรลูกหลานสงสัยทำไมเนี่ยไอ้ความเห็นมันเป็นเย่นนี้เราไม่รู้สึกว่าไอ้คนตาบอดนี่เน่ยมันบอดอย่างสนิทนะสีเขียวมันเป็นอย่างนี้มันพอไหมกับคนตาบอดสีแดงมันเป็นอย่างนี้คนตาบอดรู้ไหม เราบอกเสีมันชัดเจนเท่าไรมันก็บอดอยู่ยังไงเพราะอะไรน่ะเพราะตามันบอดมอันเิงจะหาว่าเราไม่บอกชัดยังไงได้นี่คนมันกัน่สีแดงมันเป็นเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกแต่คนนั้นในมูน้จับมันมืดไอ้มืดด้วยปัญญามันมืดยิ่งกว่ามืดตาบอดเลยนะอืมเนี่ยไม่มีทางอะไรอืมันไม่มีทางแล้วไม่มีทางอืม ก็เพราะว่ามันเป็นปัจจัตังเรติโตโววินโูหิดินชูวินโยชนจะรู้โวยตนเองท่านบอกให้ไปรู้โดยตนเองมันก็หาว่าพระพุทธเจ้าเน่ยถ้ารู้อย่างเต็มเปีงบอกก็ไม่ชัดที่สุดมากอยากจะรู้ก่อนครับว่าที่จะพาเขาไปหรือให้เขาไปถึงนื่มันเป็นยังไงนั่นนั่นเลยนั่นอันนี้ก็ตอบคนไถูกนั่นแหละคือตอบถูกแล้วตอไม่พอใจอันนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราโง่เองหาว่าคนอื่นโง่ อย่างคนตาบอดบอกที่บอกสีให้มันพัดสิสีเหลืองคุณก็บอกว่ามันเหลืองแฉะไปถามคนตาบอดสิมันรู้จักไหมยิ่งบอกคนก็ยิ่งไม่รู้จักนะเราจะแก้ไขยังไงดีเราต้องย้อนกลับมาทีตาคุณทําไมถึงบอดมาพูดถึงเรื่องลักษณะต า, ากันดีกว่าขอให้ตาคุณดีเถอะสีแดงสีเขียวผมไม่ต้องสอนหรอกคุณจะรู้เองมันจะเป็นเนธรรมนองนี้ นะนะเดี่ยวนี้จะบังคับว่าให้เราบอกสีแดงคนตาบอกดูชัดเดียวนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรพขาหาว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่รู้พระนิพพานตามเป็นจริง <c oughs> ถ้ารู้ตามเป็นจริงถ้าไม่บอกไม่บอกให้ชัดบอกสีให้คนตาบอกเนีมันชัดดูสิใครจะบอกได้ชัดดีไหมคนตามันไม่เห็นเนี่ยมันจะชัดได้ทําไมมันจะรู้เฉพาะมันเท่านั้นแหละตามความจริงของมันเนี่ มันไปในรูปนี้ถ้าคงกูไอ้ความคิดตรงคนเป็นแค่คนเนื่องว่าไอ้พระพุทธเจ้าโง่ไม่จริงเนี่ยนี่ไอ้ตัวเราโง่ก็ยังบอกคนอื่ น, งงนว่าโง่อยู่มันเป็นเรื่องไงฉะนั้นมันจเป็นเรื่องการกระทำที่สุดเป็นเรื่องการกระทำคำว่าแท้ๆเนี่ยเรียกว่ามีอุบายทั้งนั้นแหล อ, อคุณยังไม่เห็นอะไรอยู่ในสลาหลังเนี้ย ผมเห็นพระพุทธรูปอยู่ในนั้นน่ะอยากให้คุณไปเห็นสรานพระองค์นี้อยู่ในในใ น, ในโบสถ์ทางนี้ผมจะต้องหาอุบายให้คุณเข้าไปในสาระนั่นนี่นมั้ยบอกท่านนี่น่ะพระพุทธรูปอยู่ดีโบสถ์แต่เป็นรูปนั้นสันธานนี้ให้ขอคุณเขไปในสาระเถอะคุณก็ยังไม่เชื่อต้องหาอุบายทั้งหลายให้คุณเข้าไปในสาระนี่เท่านั้นแหละเมื่อคุณไปไปถึงสาระแล้วไปเห็นพระพุทธรูปแล้วคุณจะนิใจ มันยากที่ปากกรอกนี่ยมันไม่เข้าไปไ ม, ม, มันไม่ยอมรับอืมันเชื่อแน่นในตัวของมันซะมันหาว่าไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลตัวเราเองไม่มีเหตุผลแล้วก็หาว่าคนอื่นไม่มีเหตุผลจะจะไปโทษใครละ่ะแล้วจะไปโกรคนได้ยังไงนะมันโกรธคนได้แต่คนที่กระทาคนที่ไม่ทํามันโกรธไมได้เนาะ เป็นปะทะประมาบุคคลอืมไทยเป็นปะทะประมาบุคคลไทยไหมคนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไหมจบล็อกเตอร์เลยก็ยิ่งเป็นปะทะประมาเนี่ยเห็นไหมเออคนอยู่ป่าก็เป็นได้คนอยู่ป่าไม่เรียนอะไรก็ดูธรรมะได้ไม่เป็นปะทะปรมากเป็นอกุกติจัญย์ได้เลยคนอยู่ตามป่าไม่ตรงเรียน่ะบางคนนะไม่ตรงเรียนมากเราอาศัยการเรียนอย่างเดียวไหม ถ้าเราเรียนจบจนศาสตรทุกอย่างจบล็อกเตอร์ก็ยิ่งไม่เชื่อใครทั้งนั้นอ่ะยิ่งเป็นพระปรมาถึงที่สุดไปแล้มันจึงเป็นเ ป, นเปนในทองนี้ทำนองนี้เขาพูดธรรมะมันต้องไปอย่างนี้อืมมันยากคนคนผมพูนานแล้วว่ามันยากมันยากสายเพราะคนมันไม่รับมันชอบชอบง่ายทําเดียวนี้ผมจะได้เด่๋ยวนี้ผมไม่ต้องการเดินช้าต้องการเร็วเร็ว เคยมาถามผมบ่อยๆนักศึกษามาหลวงพ่อจะทำไงมันรู้เร็วเร็วอ่ะเร็วที่สุดทำไงเร็วที่สุดก็ไม่ต้องทำกันเท่านั้นแหละก็เร็วแล้ ว, ว น, นั่นเลินกานเท่านั้นนะนี่คือเร็วที่สุดละนี่ก็เลกกาเท่านั้นอ่ะมันจะเป็นอะไรแต่ก็ทำอย่างนั้นอ่ะอื <c oughs> อ้าวลองดูสิละ <c oughs> อือบ้าอื แเดี๋ยวนี้จะพูดว่านักปฏิบัติทะเลาะกันเองนี่เยอะจะว่าได้ครับเพราะว่าแต่ละทักษะของสำนักเนี่ยมีมาไม่เหมือนกันหนับวันนับวันแล้วสมถะก็ยังทะเลาะกับวิปัสสนากันอยู่บ่อยๆอย่าไปเสียงเขาเลยผมไม่เสียงผมไม่เสียงใครนะการทีคุเน้นเขเอาไม่ตรงมากครับผมทาอย่างนี้ท่านคุณชอบใจก็ทำไม่ทำก็ ก็ั่งคุนผมทำอย่างนี้มันมีสิทธิ์กฎหมายท้งองบ้านเมืองผมก็ทำผมบๆไปน้อยู่สบายแล้วก็เอาถูกไม่ถูกไม่รู้เรื่องผมเห็นอย่างนี้อาเด็กเยอะต่สมาธิเรายุ่งปัญญาเยอะยุบหนอเรียพองหนอหรือพุทธโทษทโมเลยวุ้นเวก็เป็นข้ากันมดทั้งโลกนั้นเ น, นี่ยลองดูสิอืมมันเกินไปพวกเรามันเกินไปนับวันน่ะนับวัน แต่ว่าคนชอบด้วยอเวนชอบอยากปฏิบัติชอบเขียงชอบถามชอบอะไรอืมตัว น, นี้มันก็ชอบถามชอบภาวนากันรอย่างนี้คืออะไรนะไฟไฟจุดมาไฟจุดตูดมันมันร้อนร้อนไปดูแก้ไขเป็นไงเย็นมากการทำความเพียรนี่มันสงบเห็นว่าการ ท, ำาทํำสมาธิมันสงบมันก็เรีกว่าเอ อ, เออว่ามันสงบไปทสงบเลย มันก็คิด่ไปนั่งมันจะสงบเลยมันก็ไปนั่งพอนั่งคุกตำรวจจิตเป็นอ่งมันยิงไปกันใหญ่เลยทีนี้หมเออใช่แล้วพวกนี้โหกคันผมไปนั่งดูแล้วสมสาธิจิตผมมันไม่อยู่เลยวูดวายิ่งยิงาย้า่กวาดเราไม่นั่งเลยพวกมีโ้โกหกสมานแม่เห็นไหล่ะจะทาไงมันล่ ะ, อะลองดิ มันเป็นไซอย่างนี้จะมันเป็นเพราะความอยากปัญหาของเราเพราะความหลงของเรานั่นเองละ่ะอืมไม่มีแล้วดูในขั้งพุทธการนี้ลองๆไปดูไปดีทันปฏิบัติยังไงทำยังไงเดี๋ยวนี้มันไป่ใช่อย่างนั้นไปอ่านหนังสือฟ้องแล้วต่มาสอนกันเท่านั้นแหละในรู้เอาความรู้จากไหนมาสอนต่นจากตำรามพิษกับพิษไม่รู้เรื่อง คือไม่เสียดับจิตของเจ้าของเคยเห็นไหมอ๋อไอ้ผู้บานนาะผู้แทนนะไอ้ผมเป็นคนดีช่วยให้พ่อหนาสาทุกคนทุกคนเลือกผู้แทนมากี่ปีมาแล้วนะ <c oughs> ดีขึ้นนิดเดียวหลือจะเพราะอะไรเนี่ยเพราะคนอยากไปเป็นผู้แทนอืมใครจะไม่อยากขึ้นไปเป็นอย่างนั้น่ะต้องอยากจริงๆไป็นรธรรมราคนอยากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น มันคุมความอยากไม่ได้ไ อ, อคนมามีไอผมดีที่สุดแล้วใครก็ดีที่สุดจะทาให้ดีที่สุดเชื่อทุกคนเอาทุกคนแต่ว่าพึ่งที่สุดแต่มันตลอดต้นตลอดป ล, ลายมันนี่คือพุทธชนไปเป็นพุทธชนไปเป็นไปทํามันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้โทษเขาเรามันเป็นอย่างนั้นอืนี่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยท่านก็ไม่ใชเป็นเนาะมีบุญนวาย ก็ไม่ได้พระอรหันต์ไปเป็นปุ้แทนเนียมึงก็ได้เจอคนโลกโลกไปเป็นปู้แทนมันก็เล่นกันไปตามโลกอย่าจะให้มันดีขนาดไหนเนี่ยมันจะดีขนาดนั่นแหละอย่างอย่างยาทุกขนาดเนี่ยมันก็ดีขนาดมันก็ดีเท่ายาเั่านั้นแหละไม่มียากันตายหรอกยาเพื่อบรรเทาโรคนิดหน่อยเท่นั้นแหละนีน้าซ้ามันจะเอาหมอไปด้วยนะใช่ไหม มันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเองมันมากมายเลยอืมเราหาความสงบคือคิดไม่ถูกปุ่มมันมนี่จะเรื่องอดทนยอะยิง่งมันอดไม่ไห ว, วมันจะแตกเลยนะแต่ก่อนอยู่ในรูมันร่อนอดทนเยีะยิ่งมันทนไม่ไหวเลยนนะมันต้องมันต้องตายออกมาออกมาหนอกกรูละเรนออกมาจากป่าออกมาจากสถานที่ออกมาพูดกันแล้ว มาจัดแกงตามเรื่องของมันเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวนเดี๋ยวนี้อย่างนี้ไ อ, อ, อ้คุ้มที่ดูนี่ว่านับถือพุทธศาสนาทวันเนี่ยพุทธวิสาทเองละมันไม่ถึงจิตใจของเราหรอกไม่ถึงจิตใจจิตมันไม่เป็นพุทธศาสนาสักคนนะ่ะน้อยถ้าอาจารย์เป็นพุทธศาสนาใช่มห บ, บางคนฝลังมันก็ยอมมันถามนะ น้องพ่อเรียนมารู้มาดีแล้วทำไมจะมาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่ามันคนตัวน้อยมจะเอาเราไปฆ่าเห็นไห ม, มต้องไปอยู่ในกรุงในเมืองหลวงใหญ่ๆโปรประชาชนมันจะเล้ยงขวงหวงดีเนอะท่านอาจารย์มาอยู่ในป่าเพราะมันมีประโยชน์น้อยเพราะคนมันน้อยมันจะรอเราไปฆ่าเห็นไหมเราก็ไปพูดอยู่ในที่จเจริญกว่าเป็นบ้าอั่งนั้นเน่ย พระพิบา้านมาแล้วพระีิบา้านมาแล้วพระพิบา้านมาแล้วอะไรก็ไม่เป็นของตัวของตนทั้งนั้นว่าทั้งนั้นใครก็ บ, บ้าๆฝรั่งมันจะโกโหโกเราไปฆ่านะใช่ไหมบางคนก็ไม่ฟังเลยเข้าไปเนี่ยจะไปแก้สถานการณ์อันนี้จ้าอาจารย์สอนฝรั่งเรื่องวิพากษว่าอย่างไรหลวงพ่อไม่สอนนอกจาใครมันจะพบกันนะ่ะ <c oughs> ใครมีความสบายขึ้นเท่านั้นน่ะมิแต่สอนมันมีตัวมีตนน้อก คุณที่ต้องทําอย่างนั้นเป็นว่าพมสอนก่อนให้คุณอ เ, คเอาแก้วไว้ที่มาตั้งไว้นี้สองนาทีจะให้ยกมาตั้งเดี๋ยวสองนาทีบนสองนาทีหรือยกมาตรงนีงน้สอนให้ต่ให้คุณทําอย่างนี้อืทาทําไมอย่าพูดสิให้ทําอย่างนี้ก็พอแล้วพูดไปทำไมมีพวกรูมันจะเกิดจากนี่ ามาว่ามผมทำเงินเป็นอะไรยังามาพูดสิคุณมาเรียนนี่หน้าที่ของคนจะต้องยกแก้วใบนี้มานี่หยุดมันเท่านั้นเองปัญญามันจะเกิดตรงนี้เห็นใจไหม ม, มันจะยกการทำนี่ไหมยกทํานี่ทาอยู่หลายเดือหนหลายปีทําให้เกิดอะไรเนาะมันก็เกิดปฏิจจิยาึเกิด ค, ค, ความรู้สึกขึ้นนี่สิเห็นไหมปัญญาก็เกิดสิมันทุกข์นี่ เีิมาถามเราทำไมกำลังทำย่งนั้มาถามอะ้รเดี๋ยถามได้ไหมหน้าที่ของคุณไม่ต้องถามผมเลย้คุณทำเท่านั้นผมสอนะไย่างคุณต้องทาอย่างนั้นเท่านั้นเรื่องินไม่มีหน้าที่ของคุณมีเท่านั้นอย่ายกแก้ไว้นี่มาตั้งนี่สองนาทีหมายความอ่างนั้นแต่ไปยกไปตั้งอนาทีแต่ยกไปยังมาอย่างนั้นอย่ามาถามผมนี่ หน้าที่ของคุณให้ทำอย่างนั้นพนะ <c oughs> เดี๋ยวทําไปมันก็เกิดความรู้สึกเองมันนะมันจะรู้สักเองมันถ่ามันตรมนั้นต้องทนนะคนทนก็ต้องรู้เนอย่างนั้นอืมเนี่ยจะรู้ในตอนเบื่อขึ้นหมเออไม่รู้ล่ะทําไปเถอะถ้าทนนะทามันจนรู้แล้วมันจะว่าตอนไหนก็สั่งมันเถอะอย่างเราปรภาวนาไปทุกวันนี้เหมือนกันะเรา ผมว่ามันเห็นอะไรขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายแต่อันนี้มันไม่แน่ตพราะนี่ก็พอแล้วอารมณ์ดีเกิดขึ้นไม่แน่แล้วอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นมันไม่แน่ไอคนนั้นน่ารักเรารักนไม่แน่ไอคนนั้นเดินกับมันน่าน่าเกลียดก็ไม่แน่เหมือนกันนี่ยันมันเข้าข้างไหนทั้งนั้นเลยไม่แน่ถึงเรื่องมันไม่แน่แต่ไม่ได้เข้าเรื่องนี้ของมันดีนี้เห็นไหมเอออันนี้มันก็ไม่แน่ ดีเกินไปหรืคุณจะสบายมันเกิดโทษ <c oughs> ชั่วเกินไปมันดีไหยไม่ไปการอยู่นี้มันจะเป็นการมาชุก ข, ขันในการโยโคโนในตัวมันอัต่เรมามทายโยโคโนในตัวมันนะ <c oughs> ถ้าคุณวางทางดีทังชั่วคุณจะไปอยู่ตรงไหนล่ะดูเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ไม่ไปดีไปชั่วเท่านั้นมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรเท่านัน้นเลยใครจะกำหนดได้ไหมใครจะมาดูได้อย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้อืม ลองลองดูสิแจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่จริงจริงแล้วนะ่ะเราจะไปยึดอะไรมันเรนาก็วางมันเท่าไหร่มันเป็นไปตามเรื่องของมันทิ่ส่วนแก้ไขก็แก้ไขพอสมควรไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจมันอันนี้มันก่อนไม่แน่อันนั้นก่อนไม่แน่มันก็หมดราคาแล้วทีของมันไม่แน่นใช่ไหมใครจะไปเอามันล้วอันนั้นก็ของเสียอันนี้ก็ของเสียใครจะไปงมกับของเสีย อ, อยูน่นัะ อันนี้มันไมน่นั่นมันด้วยจะไยึดมันไหมมันมันทำไมมันไม่แน่เรารู้มันของหมดราคาแล้วน่ะเอาไปทําไมเมื่อเราทิ้งทั้งสองย่างเมื่อเข้าทางมันจุ้งไอ้เรื่องที่มันไม่แน่น่ะมันบังคับให้เราเข้าถึงควมแน่มันต้องทําอย่างนี้ครับผมว่าถ้าใครทำอย่างนี้เอาเป็นเป็น้วยภาวนานี่ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายแล้วครับอืเดินไปธรรมยูธรรมชาด้วยไม่ต้องบังคับอะไรมันเละ วันนี้มันสั่นอาหารอร่อยดีเกิดเงี้ไม่แน่แล้วทานให้มันทานควรมันเลยนี่อาหารนี่ผมไม่ชอบเด็กไม่แน่บางท่านนี่เด็ไม่แน่จะไม่รับเอามันทั้งนั้นเนี่ยนะอะไรตัวไม่แ่ไม่เนี่สังกวนมันกูวางของไม่แน่อย่าไปทำใหม่เนาะมันก็ลงทังที่มันแน่เท่านั้นแหละอันนี้เราไม่ทําไปหาถามคนโน้นคนนี้ใครจะรู้บอกมันทำมาด้มันไม่เกิดมกปรกของเจ้าของแล้ว มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อืลองลอ ง, ลองดูสิยอมอยู่นันก็ต้องเป็นอย่างนั้นะพระพุทธ เ, เจ้าไม่เอามากหรอกพอทีละคนสองคนเท่านั้นแหละเรื่องแรกมาเป็มีปัญจาวัชรีห้าเท่านั้นแหละเร่างไปปล่อยอะไรมากมายหรอกแต่มารู้สึกในการประทำถ้าคุณมาทํามูลเนี่ยคุณเห็นความจริงแต่นเนี่ยอย่างว่าทําไป ม, มันได้แก้วไว้นี่เกิดขึ้นมาเนะี่ะ คุณเห็นทัดในแก้วใบนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้สมบุรณ์มาคุณก็ต้องดีใจแล้วเลยต้องพยายามละชีวิตทำให้ในแก้วใบนี้ไอคนอื่นเขาไม่รู้จักทาทําไมเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่มีสตาแต่เราคือเห็นแก้วใบนี้เราก็ไม่ถอนเราคนหนักก็ไปด้วยืวย้ยยอยู่เท่านั้นเน่ยมันเห็นผลพราอแก้วใบนี้คนไม่เห็นกับเราเนี่ยเราเห็นตัวคนเดียว การปฏิบัติมันเกิดหรือมันเห็นเราคุนยืเท่านั้นดิจะพูดให้ใครฟังล่ะพูดใหฟังก็เขาก็รู้แต่จะเขาไม่เห็นนาะนี่มันเป็นไปอย่างนี้มันขาดไปอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้เราขี้เหมือนกันผมว่ามาอุตส่าห์ทำอย่างนี้ยไม่ต้องคิดแปลอะไรมันมากมายแล้วเอาศีลสมาธิปัญญาของเราพระวินัยเราหน่ปฏิบัติตรงนี่ล่ะมันจะมาได้แง่นูปไหนอาจารย์อะไรก็ช่างมันเถอะ สอนก็สอนหาอุบายให้รู้จักทางเท่านั้นแ่ะให้เขาไปทําอืมหาอุบายให้มันทําอย่างนั้นให้มันพอใจทํากันอย่างนั้นมันจะรู้เองมันให้ทํามันพอใจทํานี้มันไม่เห็นนะเฮ้อเจนี่ไป็นที่เราอยากเร็วมันมันเป็นปัญหาหรือเปล่านี่ะครับครับเรารับครับแต่ก็อยากจะก้าวหน้านั่นแหละมันผิดตรงนั่นแหะมันจะก้าวเองมันติด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 กําลังรากมันจะออกไปไปถอนพาดอีก่แหละไปปลูกไปมันมมันก็เช่าอย่างนี้นะคนก็นะนจะไปเล่นเอออันนี้มันไม่โตนานโตอดินตัวนี้ก็ไม่ดีอีกได้ถอนไปนถอนไปได้ตายเลยนี่ต้องกินผลไม้ไมันต้อกินผลไม้ท่านอยากเร็วทําไมท่านอยากฆ่ามันก็เป็นตันหานท่านอยากเร็วมันก็เป็นตันหานี่ท่านจะปฏิบัติตามตันหานหรือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เอาดิ <urt Dante> ลองดูสิก็เราเดินในถูกเองของเราเนี่เแล้วต้องใช้ความอดทนไว้สิทำสิเราอืปฏิบัติธรรมะสิชาดชาถึงที่มันเนีธรรมะไม่นี้เนาะไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นที่ท่านกําลังพยายามเนี่ยท่านยังปฏิบัติธรรมะท่านยังไม่ถึงธรรมะท่านเอาธรรมะไปเป็นคู่มืออยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อท่านวางแล้วนี่ยไม่ต้องอดไม่ต้องตั้นไม่ต้องอะไรแต่มันหมดนะเรียนทำแล้วเนี่ยเห็นไหม อันนี้เหี๋ยวเาี๋ยวมันช้าไปเดีวมันไวไปเดี๋ยวมันช้าไปมันไวช่างจะรีบไปไหนล่ะให้หยุดสิให้หยุดดูให้หยุดทําสิอันนี้เพราะตัณหานั่ยแหละมันส่งตัวเราไปไม่ถึงที่มันอยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นนน้นอยากจะเป็นไม่อยากจะนโ้นไม่อยากเป็นนี่อยากเป็นนน้นอยากเป็นนี่ไม่ใช่ตัณหาด้วยเนี่ยอย่าพูด้วยตัณหาอย่าทำโดยตัณหาอย่าคิดด้วยตัณหาอย่ากินด้วยตัณหาอย่าทําด้วยตัณหาเนี่ย เรามันทําด้วยตัณหาไปทั้งมดทั้งรุ่นมันี่ใจมันพุ๊บเป็นคนหญิงเมื่อไรใจหมดเมื่อไรพอเราเลี้ยงมันไม่ทุกวันนะเอาอาหารนี้มันกินทุกวันตรงอยากให้มันตายที่มันจะโตกันเท่านั้นต้องลองดูสิเราไปคิดหุดทุกวันเราทําเพราะอะไรถ้าไม่สมัยมันจะทําด้วยตัณหาทั้งนั้นน่ะสันต้องลองดูสิห้ไปคิดดีๆก็ไปดูดีๆอะเอออาจารวางมาทําหยุด ขี taught, recipe, them, so so ้เกียจก็ทําขยันก็ทําทําอย่างท่านว่าเนี่ขี้เกียจไม่ทําขยันถึงทํามันก็ปฏิบัติตามตันหาเท่านั้นแหละมันจะทําตามพระพุทธเจ้าเมื่อไรล่ะือขี้เกียจก็ชัางมันขี้เกียจก็ทําขยันขยันก็ทําไม่ต้องอาศัยมันอย่างนั้นน่ะอันนี้เราก็ขี้เกียจไม่ท่ขยันถึงทํามันก็ทําตามใจเจ้าของเท่านะ้ไม่ไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าหรอกถ้ากราบพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ตรงทําม ขยันก็ต้องทำทำตามคาสอนของท่านมันจะเกียดชีวันมันจะขยันชีวันดูลักษณะมันจริงเยอะก็ข ย, นยันหนีเยอก็สิเกียจหีมันก็จอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำตามใจเขาหรอสิเกียต้องไม่ทาขยานัยนตงทำนั่นแนหะละเด็กลา้าเด็กาตหาทุกเวลาให้ไปคิดดู่นะสิจอะไาดูนะ ก็ s. <S mm. ตามดูมันมานานนะครับปวดนี่ผมก็ตั้งใจที่จะลาบมันให้ยูนี่ตามดูแล้วรู้สึกว่าแหมมันมันดีดีนะแล้วผมและส่วนมากนะครับพใหม่ใหม่ที่บวดนะฮะมาจากสายปริบะทานครบาาจารย์นั่นแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมันต่างก็เห็นว่าคุูบาจารย์ที่ท่านสาเร็จทำนั้นท mm. uh ่านแรกมันคือความลาบากเออเลื่อนขึ้นงาความลาบาก ท่านทํากันอย่างไงเนี่ยนะในครั้งพระพุทธเจ้าของเราจะจัดจะรู้ไหมท่านเป็นปนั่งอยู่ตัวโพหนะ์ไหมท่านเป็นชั้นอาหารสีวันใช่ไหมนท่า น, นมีความปรารถนาอย่างไรไหมนั่งอยู่ที่นี้ใช่ไหมสํมเาเร็จะารหัสจารสมาสำพุทธเจ้าจะไม่รู้จักทิ่นี้เลยเลือดมันจะไหลออกมาหนังมันจะแห้งกว่าชั่งมันจะยอมรับเลยอันนี้มันเป็นคําของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาบวช ปัญญาไมพอไปอ่านหนังสือถึงตรงนั้นโอ้พระพุทธเจ้าทำเก่งออกว่าดีเราก็เอาอย่างนั้นนีนะเอานะ้านะพอบวชปัญหาดียังไม่ถึงปัญาหรอกบวชจงศพกเหมั น, นับนนะีไปอ่านถึงนี่หรือทำยหยุดทูบลงสักดอกหนึงสักไม่ต้องเอาหลายแล้วเอาทูบสักดอกสักนะถ้าถ้าทูบนี่ไม่จบจะไม่รู้จากที่นี่เลยจะตายก็เห็นมันตายมั้จ้ะ ไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาว่าบริธรรม ต, ตายตายก็ไปเต็มที่เลยนะทูกยังไม่ด้ยวยสี่เซน เ, นะเท่านี้นึกว่ามันสามชั่วโมงแล้วเหงื่อมันไหลแล้วลืมตาดีตามาดูเ อ, อ้แม่ตายสมุดนี้ทำไงรับก็ไปอีกสองทีสามทีทูกก็ไปหมดเลยไม่ไหวเราเสียดโดยตายบุญวาสนาไม่มีนะไปคิดเอาอย่างนั้นเราเนะ่ะ ออเออพระเจ้าจันทํามาเท่าไหรเมื่อไรผมมมองดูแล้วอถ้าพระพุองค์อยากจะนี้ไม่อยากจะโปวดตาเห็นไหมท่านพิจารณามาแล้วมแม่ตัดทีนาตนมรรคที่มันหนักมนหนาะไม่ใช่มันมืดเด้ออะไรมันพ้นมืดไปนู่น่ะพูดไปรู้เรื่องกันเท่า น, นาั้นท่านพิจารณาแต่งพิจารณาเราบัวที่เราอห็ะนะห ใช่ไหมท่านงอุตสามาปรดสัตว์นี่เราก็ไม่ถึงนั้นนอกรามาดพิจารณาจะให้เรามาาออีสินห้ากันจันลองดูสิใช่ไม้มเทใส่นสินหนะ้านี่ยถ้าว่าไม่ไหวอยู่ในโลกเปล่าอย่างน้อยก็าทาอะไรที่มันมีคําสำคัญนี่อืตก็ให้มันงบกันซะเท่านั้น ไม่มีรถไป่มียอดในอยู่อย่างนั้นเนี่ ย, เ, ยเป็นนายขุงกูยิ่งทําไปอะไรก็ยิ่งทํากันไปเรด้วยๆตัวเลยเรียกว่าไม่มีนจะทําในใจของเจ้าของเจ้เพูดเต็มแนะ่ะกราบก็บเป็นไหวก็เป็นชวดก็เป็นอะไรก็เป็นเป็นหมดแ น, นัเจใจมันไม่เปลี่ยนเลย ม, มหาจะไมา่เป็นมหาจะไม่ฝึกมาไม่ปฏิปทาธรรมเออ ทันรู้แล้วนะจะปฏิบัติเหมือนะไรก็ได้เดี๋ยวมีเป็นโลกก็เกิดเปลี่ยนไาเปน็นนี่จะทำไงมันถ้าพูดอย่างเงี้ยมันเย็นนะเราจะไปอะไรมันมากมายเยอะอันนี้เราเข้าใจว่าโลกนะแล้วอย่าไปทํำให้มันเสมอกันทีเราดูมือเราจริงทําไมมันไม่เสมอกันถ้าเรามาคิดว่านิ้มือของเราทําไมไม่เสมอเนาะ คิดไปเยอะกว่าเป็นบ้าเห็นไืมอยากให้มันเสมอกันใครเป็นคนทำเนาะทาไมมันไม่เสมอกันนาะมาคิดตัวเ น, นี่ยอยากให้นิ้วมือคนเกิดมาให้มันเสมอกันทุกคนจะน ก, ก็เป็นบ้าแลยน่ะอันนี้คือความจริงธร ร, รรมชาติมันเป็นอย่างเนี่ยมันมีประโยชน์ส่น ข, ของมันแล้วเนี่ยมืวนี้มันก็สั่นมืนี้ก็สั่สนนีอของก็สนนั่น bon ยาวก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นะเอาเท่าที่ควรมันจ้ะ นิ้วสั้ น, ม, น ม, มันจะมันจะมีประโยชน์ไงอย่างเราจะแฉกีจมูกก็ได้ไม่ต้องเอาไปอะไรมากมายหรอกมันมีประโยชน์ทุกอย่างเนี่ยอันนี้คนคนทุกคนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวไปตัดเป็นเหมือนกันทุกค น, น, น, อ น, กค น, นอลองลองดูสิพระพุทเจ้าสมัยนีน้เอาจริงที่คนได้ถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อเรานั่นครูบาอาจารย์บางคนก็ได้กว่าคนมันเขามันโงู้ยความเปจริงเรางู้ มันไห้อุบายเขาไม่ทัดเต้องภาวนาเขาที่จะทําอะไรมันเชื่ออย่างอื่นทาไม่ขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราเขามันจะไม่เชื่อเราทั้งมันเมาเขาจะไม่เขเชื่อเราไม่ดีพวกเราเด้อแล้วต้องปรับปรุงตัวเราเพื่อมีปัญญาหาอุบายสอนคนนั่นดีท่าเราดีไหมจะคุงไปตัดเหตุผลเป็นยังไงโลกคนที่นี้พระพุทธเจ้าหลายองค์เลก็ที่งอยู่เนี่ยโลกจะไปหอบไปที่ไหนรับงั้นมันจะหมดเชื่อมัน นั่นเป็ข อ, ของมันมีอย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปห่งมันมากเลยเอาพอสมควรซะเอาตัวและเอาคนอื่นที่พอเอาได้จะเอาไปสิ่งที่คนทิ้งก็ทิ้งสิ่งที่คนเอาก็เอาอย่าไปเอาทั้งหมดไม่ได้แล้วบางคนคนทิ้ว่าเออจิตของเรามีสิลธรรมอย่างจะไปพูดถึงมีสิลธรรมทั้งหมดพูดง่ายอย่างอนันตนเสนฐ า, านเห็นไหมจะพูดอนันต์เสนฐ า, านไม่ฟังหนะัก เคยมาฟังทำผมเป็นเจเป็นโยมนัง่งเยนเย็นเลยแกอยากจะทําให้มันลาบหมดทุกคนหนึ่งเนี่ยอันนีะเออไอคนนอนเนี่ยบางทีมันคิดเกินไปอืมันคิดเกินไปก็อยากจให้มันเดียบร้อยไม่ทําอย่างนั้นตัวเอทําดีกว่าตัดไปนั่นซะคงก็ปล่อยไว้ถึงวันแกมาบวชจริงสมเุเธ์ เท่ในประชาชนอยางเชื่อมั่นเนี่ยมันจะตายเลยทีนี้นะคนทีมม่บอกว่ า, วาไอ้งัวสองตัวมันลากเย็นลําเดียวงั ว, งวสองตัวมันลากเียนลําเดียวมันช่วยกันลากมันก็เบาออันนี้เราไปคิดเท่ น, นี้หละงวัว งอสองตัวไอตัวนั้นมันมเร็วเราเร็วคนเดียวเราลากลากลากงวตัวนั้นอีกลากเวียนลำหนึ่งอีกงอตัวเดียวลากเวียนลำหนึ่งแล้วก็ลากงออีกตัวนึงมันจะไปทิ้งแค่ไหนลองดูถ้าหากว่าถ้าเราเร็วเราหย่อนสมาเสหน่อยหนึ่งให้งอตัวนี้มันเสมือเราเล้ก็ไม่หนักมันก็สบาย ถ้าเราดึงไปคนเดียวดึงไปดึงไปคนเดียวเนี่ยไอ้ที่เราดึงไปนี่นะมันเสียนทางลำหนึ่งหัวอีกตัวหนึ่งลากไปมันหนักด้วยมันเบาถ้าเราถอยมันไปเสมอกันนี่มันจะดีกว่าดีไงมอ่าจะเป็นงัวสองตัวลากเสียนลำเดียวกันมันจะเบากว่ามั้งเบากว่างัวตัวเดียวลากลากเสียนลำหนึ่ง้าลากงัวอีกตัวหนึ่ง นะวันนั้งกลับมาอันนี้ไปจัดใจของท่านเขทาขท่านไปทําแล้วอืมนั่งบวนาคืนนี้อย่านอนนะอุบาสิกาคนนี้นะอย่านอนมันอยากนอนที่คนเราไม่ยอมนอนเอนอมันนอนเขาบอกเขาทำไม่เก่งไม่ตั้งใจทุกคนมันเป็นยังงั้นหลายคนเนี่ยก็ไปไม่ไหวตะโกนอ ย, ยูย่ด้วยเยื่อยดึงมันก็ไปไปมันถึงแก่นั้นเนี่นะนะ ก็ถึงเป็นเหน่อยีมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันถ้ามันเหน่อยเราคงจะนึกถึงตัวเราเลยมั้งเอออันนี้เรามันลากเกียนอืลำหนึ่งนะมั้งลากงัวอีกตัวหนึ่งนะมันจะถอยถอยกลับมาไอ้งัวสองตัวมันลากเกียนลำเดียวกันไม่ดีดีนี่วันนั้งกลับมาผมมาศึกษาอยากจะมาฟังธําผมล่ะผมไม่มีธรรมแล้ นี่เดบิบายพูดแค่นั้นะลองลองดูสิมันยังไม่ถึงเวลานั้นจะทํายังไงมันเล่าอืลูกเราเลี้ยงเด็กๆมาเกิดวันนี้พงอ์ีอยากให้มันโตทํางานได้ช่วยพ่อแม่มันโตไม่ทันแล้วจะทํายังไงมันก็เรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยคนเลี้ยงมันโตมาคนที่ไอ้คนที่สองมากเกิดมาวันสองไหนมันโตขึ้นมาช่วยกันงานกัน ก็เป็นบ้าหมดทั้งโลกเหมือนนี้มันไปในรูปนี้เหล๋ยวจะเอาตรงไหนได้คือตัณหานั่นเองตัณหานี่มันอยากมันบังคับให้มันวิ่งตลอดเวลาไม่มีเรียกผลจิตใจต้องพลุ่งพุงวันเนี่ยการพองคีหรื อ, อาการอยากอยู่หาเงินหาทองกินอนะ่ะถ้าไม่อยากทําทําต่น้อยให้ได้เงินมากๆดี ดีก็น่าดีไม่ต้องซ้ำด้วยให้ได้เงินไปเรื่อยๆนี่ยดีถ้าได้มีคนไปยกมือทั้งโลกเลยนะนี่พระพุทธองค์ท่นานบอกว่าเออต้องขยันมันเทียนรู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายอืมเอีเราไม่เอาอย่างงั้นดิไม่เอาอย่างงั้นการซื้อขาอยู่กินทั้งตัวให้รู้จักหมด ให้ดูจับประมาณตรงนั้นเนี่ยที่เราเป็นคนไม่ดูจับประมาณกันเพราะเ บ, าะบีนการทหารอือแล้วก็น้ำบรรเจิดใต้กันนี่มั่งมันไม่มีอะไรนี่ <c oughs> เงินเดือนผมก็ไม่พอคนนี้ก็ไม่พอเงินก็เอาเงินไปให้คนบ้าชใช่มันจะพออะไรร้ <c oughs> อ, องสิ <c oughs> ใครมันจะพอเอาให้คนบ้าดี่ใช่ จะทิ้งในน้ำทิ้งไปมันจะพอไหมใครมันจะพอเป็นไหมต่คนนั้นมันต้องรู้จักนัะนอ่ะแล้วคนบ้านมันหมดไปจะใต้กับเจ้ากับนายกับพ่อกับแม่เกี่ยวเก่งอะไรัวเนี้ยมันจะเป็นไปไหนมันไม่แป้มันไม่เป็นอย่างนั้นอืมันนี้ท่าน้องอันนี้มันไอความคิดนี่ยมันยังยังอยู่ลึกนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังอ่ะผมพี่ารณาเห็นเนี่ยมันลึกกว่านั้น มันดึกมากที่สุดคนที่ยังไม่เห็นนี่มู๊ยเดี๋ยวเกินเลยนี่น้องซ้ำนะเห็นตก็มาถามเทศอย่างนี้มันเปลี่ยดซะเลยมันเจี๊ยดเนี่ยอันนี้ผมก็เคยเจอเลยแม่ทำไมไม่เคยเจอหล่ะเขากุ้งใจมานี่ผมก็ปลอกเขาเลยทำมะ เขาก็บ่นว่าพวกจะตายอยู่แล้วพูดแต่ธรรมะแม่ตัวอย่างนั้นเนี่ยคนอยู่แค่นั้นแหละคนบ้าจะทําไงมันหรอกเป็นหมาว่าทาไงมันก็เป็นอย่างนั้นไปแก้ตรงไหนแต่คนมันเต็มที่มันแล้วอเราเจอตั้งต่างอย่างนั้นจะไปแก้ไปถึงที่ไหนล่ะหนามันโจทย์นะท่านนะอมันไม่มีที่ไปครับ มันมีที่ไปอย่างผมว่าเน่ะไปแสดงสีแสงให้คนตาบอดจะจบมาเลยนะี่นอนั่นสีขาวสีขาวเป็นยไงครับอืมเนี่ยเหมือนปูนขาวนี่เนี่ยปูนขาวเป็นยังไงครับ <c oughs> ปูนขาวมันข้างฟ้ามันทีเมฆ ข, ขาวๆเนี่ยที่เมฆมันเป็นยังไงครับโดยตลอดตายเลย ไอคนโง่หายที่ว่าเนี่ยไล่ตลอดเวลาเลยน ะ, พะเพราะมันจะยิ่งไปไกลเลยอืมไม่ไกลเลยมันไม่เห็นนี่ยมาถามเพื่ตาคุณบอดไปเลยกี่ปีแล้วมารักษาตากันดีกว่ามันพอรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้ตาเดียวขนาดนีนนะสีทั้งพวงในโลกเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องอธิบายเพราะมันดื่มตาเส็จมามันรุ่งจากมันดิน อย่นี้ดีกว่าเลยมัน้งเขาไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเจ้าอะไรมาแก้ไขมันมันจบเป็นนี่นะสุดมันเป็นนี่น่ะประทับปัญหาบุคนประจบแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะสอนเลยเพราะเลิกัารทค่นั้นี่มันกันแั่บงทีกรรมฐานหัวจะแตกเลยนักศึกษามันถามเที่อยากจะให้มันค้นอยากจะให้มันแก้ดุดดุดุดเสมอไอ้คนที่ถามนยนะไอ้คนที่ถามเน่ย มันไปใไไนหมายนะครับผมต้องกลับมาชนมันถึงจะได้ต้องกลับมาเขาเห็นอย่างนั้นนี่ครับเขาเห็นอย่างนั้นมันไม่เห็นนี่เขาก็มีปัญหาด้วยทีครับทีขามจิงมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกกันเขายังไม่รู้จักตัวนี่อันนั้นมันเป็นไงครับแล้วก็บอกมันก็หมดอุปมาอุปไมยเลยเนี่ยหมดจะทํทางไงหยุดกันที ไม่เน่อยก็อยู่กันนี่มาถามถึงตาตาคนเป็นอะไรบอดมากี่ปีไหมมารักษาตาัะดีกว่ารักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้แต่มันบอดไปเลยอืมก็งาั้งของมันจะทำไงมาอันนี้โอ้ยผมมันคนคิดคนเดียวหนิตาละพัดยามคร e ับเดี๋ยวนี้เอาใจสิ่งที่มันพอได้่านั้นมึก็เลยเข่นนั้น จร่งๆมันไม่พอได้เอาไว้นั่นเถอะจะดังมันเถอะของชิ่งมันมีนี่นะของเอามันมีนี่ของสอนง่ายมีสอนยากมีของที่ไม่ได้สอนมันเป็นเองมันมีในโลกนี่มันเป็นอย่างเงื่อนแต่จะทํามันเป็นอย่างเงื่อนจะบังคับมันอะไรมันนะดูดีพระนิเมนมาเนี่ยเพรไม่ไปสอนให้มากมายหรอกคนที่มันจะเป็นมัต้สอนมากคมันไปมองดูต้นไม้เหมือนกับนูมนนีนั่้นไม้ต้นนี้ต้นนี้คนนะ ต้นไม้ไอ้สิ่งมันแห้งอือันนี้ก็เหมือนคนเหมือนกันนะสิ่งนั้นมันก็แห้งเลยมันดีใจเองมันครับเครื่องมันมีอยู่ในนี่แล้วเราไม่ต้องสอนครับนี่ีอุกจิตันยูเขาไปปล่อยไว้ตามป่าเลยต้องสอนอุกจิตันยูมันรู้มันเองไม่ต้สอนมาก่เราพูดกับคนอื่นถ้าเขานั่งฟังเนี่ยเขาตรว่าสอนเขาก็จะหยุดเอ นิบติจันยูนั่นนะต้องอุปมาประมาณสักหน่อยหนึ่งล่อยที่งไม่ได้ต้องเปรียบเทียบในฟังนิดหนึ่งเห็นได้ครับอืมจริ ง, รงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยวันนี่เราได้คิดจริงเราคิดไปเรือเ่อยๆไปเนะื้อหน้าบุคคลนะต้องถูไทกันหนังลอกสันหน่อยหนึ่งขูดนนพวกขูดนะแจ้พ่อไปได้ครับพ่อไปก็บสาได้นะ อย่างนักเรียนมันสักร้อยคนนะสักแปดสิบคนนะมันจะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าในจกนะเป็นคนที่แปดสิบแต่ก็กระทั่งมันจะมันยังอยู่ในท่นานของเขาได้สอบได้อยู่อืมมันไม่นอกอยู่เขาอยู่โน่นก็เอาเพอไปได้ก็เขาอืมนั่นไอ้คนอื่นนะั่นเะนี่ยไม่รู้เรื่องคนอื่นนะั่นะคนอื่นไม่รู้เรื่องวันนี้จะทําอย่างไง น, นะครับ วันนังก็ทําอย่างเก่าอยู่แล้วนะต่อไปจะทำยังีงนนะครับอยู่เมื่อวันนั้งก็ทําอยู่อย่างนั้นนะต่อมาอีกครัูอย่าทำยังีงนะครับครับด้วยนะครับทิ้งไอคนนี้ก็ต้องปล่อยแล้วครับปล่อยให้จอของเก่าเขาให้เ จ, จะของเก่าเขาท โยนในจะของเก่าก็าสให้กรรมสักให้เขากรของเขาสะหมดภาระเราอย่าไปยุ่งเลยให้กรรมของเขาของเขามันเป็นอย่างนั้นให้กรรมก็าสให้ใจของเก่าเขาดีกว่าเราอย่ามาแต่งมันเลยในใจของเราที่จะต้องแต่งคนนี้ต้องโยนใ้ของเก่าเขาเบามีใจเออมันจะนั่งเงี้ยก็ช่างเหมือนมันจะทําอะไรก็ช่างมันเถอะมันจะไปเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะแล้วก็อยู่ใช่ไ เาราต่อยิมใช่ไหมมันของเขาเราส่งในเขาแล้วของเก่าเขาแล้วก็ให้เขาจะไปแย่เงเขาเข้ามาเลยคนประเทนี้มีทุกสังคมน้ อ, อยอยู่ใน น, นั้น แ, นแล้วเรามันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วย <laughs> มันเรียนขึ้นเยอะขึ้นแล้ยนะยนั่นาันจะคุณคุณอย่าลือมาอาไรสิ่งที่มันจะเริ่ขึ้นทีละน้อยละน้อยแต่น้อยและน้อ ย, อ ย, อยสุดสุดมันจะเสื่อมลงธรรมดาทังหมดอย่าไปลืมมันนี่ กองทรายให้รถบรรทุกมาสิให้สาสตายให้มันแหลมเป็นยอดธาตุยอดเจดีย์กันสิมันแหลมจนสุดๆมนแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะสาสตรได้มันแหลมจนไปคนณต้นงกบพังลงมาอย่างเ่อมศาสตร์พื้มันไหลลงมาอีสาร์พื้นไปเสรมันมีเท่านั้นกาลังมันมีเท่านั้นทรายทานานคิวมันจะสูงแค่นั้นสุดขีดมันแล้วเอาคุณหีุไม่ได้คุณยังไม่พอใจของคุณอยู่ นี่ต้องไปสาดตายมันสูมันนลยไหลายคุณก็เป็นเปรตสาดตายอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปที่ไหนหรอกมันเป็นแค่นี้ครับที่สูบมันมีอยู่นั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็ยุอย่าไปสาดมันทีพอแล้วถึงแค่นั้นมันพอแล้วเรื่องมันจะเป็นไปเรื่องของโลกปรวันนี้มันจะเป็นไปของมันพ้องมันก็ให้มันเป็นไปพ้องมันจะทําไงมันเนาะ แก้ไขเราที่ควรที่เราอย่แก้ไขเกินพอดีของเราเิงเราจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะเกิดเบื้องต้นทาการก็แปรไปทำไมแปลไปเปลี่ยนไปที่สุดก็เสื่อมสลายไป ม, มันซื้ออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เราเท่าที่ควรี่ถ้าที่สอนไม่ได้เราจะไปควรเนี่ยเนี่ยจะตกนรกหรือกอื่แล้วพอ พอควรแล้วอื้อยังไงนี่จะเอาไงลองลองดูดิให้ท่านดันไปดูที่ไปแก้คนในโลกลองลอ ง, ลองดูดิไปสาดตายให้มันสูงกวักวประมาณมันที่สาดแต่ที่นนะี่มันไหลคุณจะไปสาดนี่จ่เกิดประโยู่์อะไรแล้วนอกจากวันทุกตายมาใหม่กองใหม่คุณจะสาดึ้นอันนี้เราต้ อ, องคิดอย่างนี้ครับ ไม่ใช่ว่าเราเห็นเจตัวบางคนเขาเอามาใส่ไม่อยากสอนใครเห็นเจตัวเพราะทำให้เราใใจไม่สบ า, ายดูยเราเห็นจิตเจตัวจริงจริงด <c oughs> ินี่น้าดีอันนี้มันเรื่องของคนพูดดูจิตเจียสิเราอาศัยคนอื่นหรืออาศัยเรานี่เราเป็นอย่างไนจริงไหมถ้าเป็นจริงนั่นจริงถูกของเขาเนี่ยถ้าไม่เป็นยัางไงาเขาก็พูดไม่ถูกแล้วมันอยู่ที่เราเลย เอามาพึ่งตัวเราจะไปพึ่งคนอื่นได้เนี่ยเราทําดีอยู่เข้าบอกไม่ดีก็จะทําไงเนี่ยอย่าพูดเขาบอกพูดเรื่องของเขาจะทําไงเนี่ยมันเรื่องของอย่างนี้ครับเราจะทํำไงมันจ้ะไอ้ที่เราพิจารณาตัวเรา เ, เนี่ยเดี๋ยวนี้เพราะว่ามันเป็นอย่ังไงเขาว่ามันผิดไอ้ที่เขาว่าเขาบอกฟังมันผิดยังไงเนี่นย<ม>เออจริงว่ะ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 จะไปลงดีกับเราสิมันดีตรงไหนนี่มันดูอยู่ตรงมันดูอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยแต่เดือนนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันมันยากซะ ห, หน่อยนึงยากแกผู้อำนวยการซะหน่อยนึงนะหมายควมว่าหมายวมว่าใช่ไนะอ่ามีในกอนี่ในคอนะ ก็จับมานะไอ้คนนั่นไม่ได้ขโมยเลยไอ้คนนี้มันได้ขโมยจริงๆแต่เราเอามาสอบถามเราเป็นเจ้าหน้าที่ถามคุณได้ขโมยไหมเปล่าครับคุณได้ขโมยกขาบอกว่าเปล่าเลยถามคนนี้คุณได้ขโมยไหมเปล่าครับนคนขโมยก็คนได้ขโมยมัยยนพูดคาเดียวกันแล้วจะตัดสินยนะังไงไหมนีมันจริงจริงต้องพันนี้อืออนะ คนนี้คนชั่วพูดคำเดียวกันคนเชื่อคนไม่เชื่อคับคำเดียวกันจะทไงแม่คุณจะไปอาศัยใครเด็นอยู่ล่ะนอกจากอาศัยเจ้าของนี่เท่านั้นเองแล้วอย่จะตัดสิดยังไงคนไม่ได้รั ก, กจริงพวกเข า, า, าเขา้ามาเปล่าครับจริงคนนั้นไอ้คนนี้ไปขโมยจริงๆแต่ถามเขาเปล่าครับคน่ได้ขโมยมันพูดคำเดียวกันน่ะจะทําไงมนะันสึกยากเห็นไหม จะไปเอาคาพูดทีวั น, นีเป็นประมาณไม่ได้ต้องซื้ออันนี้กูมันกันฉันันการคดงอในใจของคนมันเป็นยังถ้าหากว่าเรารู้ตัวของเรานู่้ตัวของเราดีกว่า่าไปเอามาสิเอาเราเาเอาได้สาศาศาิไาตมันเกินขนาดมันไม่ได้แล้วพังด้ ม, ม, มดม ไ, มไปที่ไหน มันมีดีทีลบมันมีดีทีบวกมันมีดีทีคูณมีดีทีหารนะเราก็เรออื่อยๆมันเป็นจำนวนมันนะเราจะคูณไปเรื่อยไปเอาไว้ที่ไหนเนะทําไมดูหลักสูตรเลขเราก็ดีคนระับมันมีดีทีคูณดีทีรวมดีทลบดีทีแบ่งถ้าประชาชนเราทําตามนี้ยควรแบ่งก็แบ่ง ควรคูนกัวคูณนควรลบ ก, กัวลบขึ้นแบบนี้มันก็เป็นธรรมะเลยนะเดี๋ยวนี้มันคูนจะพึ้เราใส่ตรงไหนจะไม่พอไม่พอมันคูนจะพื้นเลยนะเมื่อคูนจะพื้ยังไงเนี่ยไอ้ที่มันถูกลบน่ะมันไม่มีจะกินเลยนะ่มันไปขอขอไม่ให้ไม่ให้ก็ขโมยเอาตอนั้นเนะนี่ยนี่มีทำนองมันจะเป็นเลยอย่างนี้น ผมว่ารอนครับร่อนนรอ น, น, นอืมใช่แด้ว ใ, ให้ผมไปพูดผิดนะผมก็ไม่จไปเลยมันไม่เกิดประโยชน์เลยด น, นี่มักิดรนมาตั้งอยู่ตรงนี้ใครสนใจมาศึกษาตรงนี้อย่าใจเย็นแต่ต่อผมไม่เมสียงใรมอืมโรคระบาดมันเกิดถึงบ้านนี้มะหมอก็จะทาไง น, นะ ที่มันกุ้มเลยเก็ไม่ต้องการเขาโน้นจะไปตัดตรงโน่นขีดยาตรงนั้นกันตรงโน่นที่มันจริงแต่มันจริงแล้วก่อนอย่างเขาหลับไฟอย่งไฟมันไหม้บ้านหนึ่งเนี่ยมันไหม้บ้านหลังนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องไปการโน่นก่อนไอ้ที่มันไหม้แล้วอย่าไปอย่าไปทําอะไรมันมากเลยมันไหม้แล้วนะไอ้สิ่งที่มันเหลือมันมากกว่านี้มันมีประโยชน์กว่านี้ดีทีเขาหลับไฟก็หลับเงิน กกนนแต่อย่างนั้นเราเขเหมือนกันบางทมีมันคุ้มเคยเกินเกินไปเราแก้แไม่ไหวแล้วนะมันหมดเวลาแเราถอยมาอยู่เงี้ยที่มันเราทำเรานี่ยเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างของคนด้วยเราจะทำยังไงไหมทำนะให้มันเป็นธรรมะไม่ให้มันเป็นโลกาจิปใจไม่ให้เป็นอาตาจิปใจทำให้มันเกิดธรรมะ แต่คนมีนิสัยมีปัจจัยมันจะมาฟังแล้วมันจะมามองอมเลืกวาคนชอนอิดนั้ น, ม, นมันปนเปกันไปนะฮะแต่ทุกครั้งที่ธรรมะมันเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นประโยชน์กับโลกแล้วก็คนดีๆเดก็ชอบกันแต่คนช่วๆมันก็จะมาั ง, ม, งมันก็เป็นอย่งนั้นอ่ะอันนี้เราโกหโลกมนก็เป็นอย่างั้น สิเดียวก็พูดดิอย่างอย่างของท่านท่านไม่ชอบอันนั้นแต่โลกเขาว่ามันเป็นธรรมะดีแต่เราไม่เห็นเขาเนีย่ยฉันไม่ชอบเราก็มันมีจักราในธรรมะนะพอเราไม่ทอบมันจะเป็นธรรมะฉันในรูกนี้แต่ฉันไม่ชอบแต่คนทางเมืองเขาชอบธรรมะอย่างนั้นเขาเอากันอยู่เราก็เห็นอยู่เขาเอากันอยู่แต่เราก็ไม่มีจรรมักรา เพราะเราไม่ชอบอย่างนั้นคนในคนในในในยุคไหนประจันกันเถอะครับมันตน้องมีอย่างนี้มันมีเครื่องวัดขาดีกันหมดทุกคนแล้วก็ใครจะช่วยหรอกถ้ามีใครช่วจะมีปัญหามไหมถ้าไม่มีปัญหาจะได้แก้ปัญหาไหมไม่แช่ปัญหาจะมีปัญญาไหม ผมคิดถึงผู่อยู่วัดประโคนผมคิดถึงเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในป่าวัดประโคนนะเป็นวัดเป็นสถานที่ของหลวงห้ามหาถิ่มของเขาผมก็มาอยู่ตรงนั้นคิดว่าเออเรามาอยู่ตรงนี้ให้อภัยศัตรูนะอย่ากู่คนจะอยู่กันสบายไม่อยู่ทบกมคิดนะผมมาอยู่พุกข์ก็ไปเลยแล้วอ่าเราคึกว่าดีมันไม่ดีสำ่รเราเ โอ้ท่านมาอยู่ทำไมที่นี่ท่านมารักษาป่าทําไมท่านบวชท่านรักษาต้นไม้หรือเห็นที่ท่านมารักษาศีลบวชละมาเลี้ยงท่านมาอยู่นังไมันหวงต้นไม้ไปทําไมต้บอกฟังสัตว์สาลาศีกแต่กระรอกมันก็มีสงสารมันมันมายิงเออโยมเด็กทำเลคุณจะเลี้ยงมาเหถอะัดป่าไม่ใช่หรืวเนี่ยอันนี้มันจะเรื่องของพระหรอก แม่ทำไงเออจะทําไงอ๋อผมเอาอยู่มันนี่จนมันหมดความรู้ต่างๆตรงนี้วัดสุขพงเนี่ยไม่ตรงนี้มันจะสร้างําแพนขึ้นในมันรอบตรงนี้ละมันจะเป็นยังไงไหมอยู่มันควรตลอดเวลาครับเนี่ยทั้งเรามุ่งดีทั้งนั้นย่างอิทธิยิทย่อยๆไปคนนี้กระแตกับสุนัขถ้าเห็นเนี่ยมันอาภาษกันครับมันยิ่งกัดเลย ผมกระทำอย่างนี้นกระแจกมาหลายมันคุณมันเชื่อมประมาณุนัก็มันก็มันก็มาตะคุกกระแจกขึ้นผมก็ไม่สบายเลยสุนัขม่ต้องหมันอยวดดีกว่าแล้วมันตัดกระแจกเรานะคิดอย่างนีมันตลอดเวลาเม่เห็นตะกะแจกตรงนั้นตะคุกตายตัดตายแล้คนน่บาใจสงสารนี่ ทำไปทําไปเอออันนี้เราคิดคิดมาหลายเดือนนกันด้วยอเนะคิดคิดหลายเดือนมันทำใม้ชาติของมันนะถ้าสุนัขหนีกระแจมันงู้ง่ะถ้าสุนัขอยู่กระแจมันฉลาดนะนะลองลองดูที่มันทําให้มันมีปัญญาขึ้นมันทํำมีความระวังขึ้นไอความคิดเมื่อไนร่มันดีนะ มันเป็นคู่เพียงก็ไอการที่ถูกแล้วทํางี้ผิดหรือถูกหมอเจ็บคิดเราทําตัวนี้มันไม่ช่างไม้ตัดตัวนี้ช่างหรือยาวเนาะมันต้องมวัดกันครับอันญามันก็มีอันชั้นเป็นอาจารย์อันชั้นก็มียาวเป็นอาจารย์มันคู่กันไปอย่างนี้อ๋อโลกมันเนอย่ีเองนะทุกวันในพระสุรีปล่อยเงินแจกกับศูนย์ลักมันกวนกันอย่างไรก็ตามทำให้คาดมัน ขนาดที่กระจะยกระจก็ไม่หมดครับมันฉลาดตัวเก่าเลยยิ่งมีกระจายฉลาดถึงนั้นน้อยมันก็ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นข้อเล่านะเร า, เนะเราจะไปห้ามคือนักวิชาการกระจาห้ามมห้คนมว่าพวกเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ต้องว่าของเขาอย่างนั้นเออผมติดตั้งอย่างนี้นต้องอยู่มนันแน่นอนตรงนี้ไม่หนีมันต้องที่นี่อยู่ตรงนี้ละ มันควนอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ควนอยู่ตรงนี้นะทำอยู่ตรงนั้นนะแนี่ยมั่นคงอยู่นี้บางทีป่วยไข้คนจะตายมาตรงสี่สมัอยู่คนเดียวเขาไปอยู่เนะี่ยเด็กเป็นไงนะ เ, เพราะว่าเราจะเอ า, าว่าเราจะเอาจริงมั้ยอยู่ตรงนั้นนะให้มันเห็นเนี่ยถ้าเรามีกำลังมากแต่คนนั่นกำลังมันก็น้อยทำไมมันน้อยเพราะเรามีกำลังมากกว่ามันกะน้อยเอง ถึงมันมีกาลัง อ, างอย่างต่อมันก็น้อยพอเรามันมากขึ้นเรื่งนี้จะคอยกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องกวนใจมันมากทมเอาสิ่งที่เราพอทําได้นะไม่ต้องไม่ต้องทําให้มันทุกข์ครับถ้าทําใจใทุกข์อะไรท่านผิดเลยผมก็ผิดเพราะปฏิบัติไม่ให้มีทุกข์ทำไมให้ทุกขก์ตัวใจเราได้นี่แล้มันผิดอยู่แล้ว ไอ้คนนั่นพูดไม่ฟังเรากกเสียใจเป็นทุกข์เราผิดนี่ครับเรปฏิบัติเพื่อไงเอาทุกข์ให้ทุกข์เกิดได้ทําไมทําไมไม่รู้ว่านั้นน่ะเรามันผิดเยอะครับลองลองดูสิอย่าไปพั่วหาปนิพานไปดูตรงนี้อ๋อชนะมันตรงไหนเราลองลองดูสิครับตรงนี้อ่ะลองลองดูสิไทยไม่อยากแก่ยังคนที่นี่ตาตาตาสิ ราตมีาจัดมีผาจะทำไง น, น, นะงนานี้นะถิ่นจะไปขายของตลาดนะเอาจัดเล็กๆนิดนอยไปขายของตลาดสอไม่สบ า, ายใจมึงจะหางเงินมาซื้อของในตลาดมัไปปล่อยหมดสัตว์นี่พอไหจะหาเงินมาพอไหมไปซื้อในตลาดจัเดเล็กจัดไม่ขอจับมามาฆ่ากันเะน่ยเราสงสารหนึ่งต้องอุตส่าห์ไปหางเงินมาซื้อสัตว์ไปปล่อยใอห้มันหมดตลาด ตลาดเมืองอุบลมีหมดแล้วตลาดมีโคลาตตลาดที่ไหนไปซื้อไ้หมดมันจะไปไหวมนี่เราเี่มีตาเจนนี่คือเนี่ยตาตกอยู่แล้วนะเห็นไหมถ้าเรามีเมี่ยตาก็พอให้ทำใช่ไหมเราก็พูดของเราไป